ที่ท่านแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาซึ่งได้สืบทอดมาถึงพวกเราเวลานี้เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีเงื่อนที่จะให้สงสัยแม่แต่น้อยเพราะท่านดำเนินตามแบบฉบับของาศาสดา ที่มีไว้แล้วในตำราจริงๆไม่ใช่แบบแอ บ, แอบแสงแสงหรือแข็งแขงไปดังที่เห็นเห็นกันทั่วๆไปมีลักษณะอยากเด่นอยากดังไม่เข้าร่องเข้ารอยอย่างนั้นไม่มีระดับของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิบัติทางด้วยความเป็นธรรมล้วนๆ คือไม่มีแง่ใดที่น่าสงสัยทวีปพ า, าดำเนินมานี่ก็พอจะทราบเรื่องราบ้างเช่นทุดงขวัดนะการชันมือเดียวหนเดียวนี่ก็มีอยู่แล้วในทุดงสิบสามข้อการบินทบาทเป็นวัด คือไม่ให้ขาดเมื่อยังฉันอยู่ทางนี้ก็มีในทุดงสิบสามนั่นแหละการฉันในบาทก็มีในทูดงนั่นแล้วนี่ที่ปฏิบัติกันอยู่นี่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีลี้ลับอันใดเลย เพราะในตำรามีไว้อย่างชาัดเจนอยู่แล้วท่านดำเนินตามตำรานั้นจริงๆถือผ้าบางสกุลก็ท่านเป็นองค์หนึ่งดูจะไม่มีในสมัยปัจจุบันนี้เกินหรือเหนือท่านไปถือผ้าบางสกุลท่านถือมาตั้งแต่เริ่มบวชจนกระทั่งวาระสุดท้าย ก็ได้เห็นท่านใช้ผ้าอังสะที่ท่านเจ้าคุณปราจีนโมนีจังหวัดปราจีนนำมาถวายท่านเท่านั้นด้วยความเมตตาสงสารท่านเจ้าคุลนั้นแหละเท่าที่สังเกตดูเพราะก่อนที่ท่านจะถวายด้วยมือท่านได้กราบเรียนให้ท่านทราบก่อนว่านี้เป็นผ้าป่างอันว่างั้น ดูว่าท่านกรอเองแล้วไปให้ช่างหูเขาทอให้ว่าอย่างนั้นท่านเป็นเมตตาสนองให้หรือฉลองให้ทั้งสองผืนนอกนั่นดูไม่เห็นปรากฏว่าท่านใช้กะหาปฏิกีบรเลยนี่จะให้เด่นขนาดไหนในสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่ทรงทุดงข้อนี้ได้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึง วาระสุดท้ายจะหาอย่างท่านอาจารย์มั่นนี้ได้ที่ไหนนี่ก็เป็นทูดงข้อหนึ่งที่เด็ดเดี่ยวมากสาหรับองค์ท่านที่เคยปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาบไม่ขาดว่าขาดต่อเลยพูดถึงด้านภาวนานี่เราพูดเพียงแง่ทูดงเพียงเล็กน้อยเช่นงการอยู่ในป่า อยู่ในป่าชาเรล่านี้มีในทุดงหมดแล้วไม่เป็นข้อที่น่าสงสัยในถรร้ำเนื้อผาเหล่านี้มีในอนุสาว ร, ร์และในทุดงที่สามอยู่แล้วนั่นเป็นรรมที่ตายใจได้จริงๆที่ท่านพาดำเนินมาเราทั้งหลายได้ยึดเป็นแนวทางสืบมานจนปัจจุบันนี้เพราะท่านเป็นผู้ พาดำเนินนี้พูดถึงเรื่องทุดง13สามเราพูดเพียงข้อใดข้อหนึง่งไม่จบทุกไม่พูดโดยตลอดทั่วถึงทุกข้อไปเป็นเนศชีพระสมทานไม่นอนเป็นวันวันหรือคืนคืนไปอย่างนี้ก็มีในทุดงนอกจากนั้น วิธีดำเนินทางด้านกิตตภาวนาท่านก็ไม่ได้พาบําเพ็ญหรือปฏิบัติให้นอกเนื้อไปจากหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นเลยเช่นสอนพุทโธหรือสอนอนาปานสติหรืออาการสา นับแต่แตกรรมาฐานห้าขึ้นไปจนกระทั่งถึงอาการสามสสองเหล่านี้มีในตำลับตำราดโดยสมบูรณ์อยู่แล้วไม่เป็นข้อสงสัยไม่เป็นที่ไม่เกิดความระแวงอะไรทั้งสิ้นที่ท่านพาดำเนินมาไม่ได้มีบทแปลกต่างๆและเป็นสิ่งที่ผูกขาดบ้างอเป็นที่ อะไรทั้งขั ง, ขงบ้างอย่างนี้ไม่ปรากฏถ้าขัางก็ขังด้วยความเป็นธรรมจริงๆคือเอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าขัางไม่ใช่ขังแบบโลกๆขังด้วยความเป็นธรรมขังด้วยความแน่ใจตัวเองและทําความอุ่นเกลียตัวเองด้วยความขลังนั้นจริงๆนี่คือปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาดําเนั้นมาการขบการฉัน อันนี้จะยิ่งละเอียดมากหรือยิ่งถ้าพูดตามอย่างวัดป่าวันตายเราก็เรียกว่าผิดกันอยู่มากทีเดียวเพราะนั่นท่านอยู่ด้วยความเมเลี่ยฉันก็เหมือนกันอดอยากขาดแทนไปบ้างไม่ได้สมบูรณ์ผลผ ล, ผลอะไรสําหรับกลับหรืออะไรเหล่านี้แต่ข้าวนั้นมีเพราะอยู่ในป่าในเขา ใครจะาหาอาหารสารคาวไปถวายด้วยของดิบของดีก็มีแต่ชาวบ้านที่อาศัยเขาอยู่ได้ฉันไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยทั้งพระมีจํานวนมากมายอย่างนี้ก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่เป็นอารมณ์อันใดกับอาหารมากน้อยนั้นเลยผู้ปฏิบัติอันนี้ต่างกับบ้านท้องเราอยู่มาก เพราะนี่วัดนี้มันเหมือนกับอยู่ในตลาดการค ม, มนาคมของคนไปมาหาสู่ได้ง่ายดีไม่ดีลาดยางมาจากถนนใหญ่จนกระทั่งถึงหน้าสลากสะดวกมากถ้าตุปัจจัยทั้งสี่รู้สึกว่าสมบูรณ์ทูนผลจนผู้ที่จะลืมเนื้อลืมตัวก็ลืมได้จริงๆดังที่ท่านว่า สักการะพุยสังหันติลาบสักการะย่อมฆ่าคนบุรุษผู้โง่เขาาลืมเนื้อลืมตัวเสียก็คือฆ่าพระเรานั่นแหละลืมเนื้อลืมตัวด้วยจะตุปัจทั้งสี่หาความประมาณความพอประมาณพอดิบพอดีในตนไม่ได้กลายเป็นความทะเยอทะยานไปตามปัจจัยทั้งสี่หรือความเคารพนับถือของคนไปเสีย นี่เป็นความเสียหายในวงปฏิบัติของเราท่านให้ลืมเนื้อลืมตัวเรื่องเจตุปัจจัยทยทานทั้งสี่กีวรมินทบาทเสนาสนะยิลานาเภสัชเป็นต้นนี่เรียกว่าปัจจัยทั้งสี่แล้วแยกขยายอันใดที่ควรแก่การสงฆ์เข้์เข้ามาปัจัยทั้งสี่นี้ข้อใดข้อหนึ่งได้ทั้งนั้นอันนี้สำหรับว่าเรามีมากอเจตุปจจัยทั้งสี่ ผู้ที่หลงลืมเนื้อลืมตัวกับปัจจัยทั้งสี่ตลอดความเคารพนับถือของประชาชนที่เข้ามาแสดงอาการเคารพร่วมใจนี่เป็นความเสียสําหรับผู้ลืมเนื้อลืมตัวเพราะพระม่ใช่เพศที่ลืมเนื้อลืมตัวพระในครั้งบูตการพระของตถาคตจริงๆพระศักยะสกยะบุตรไม่ใช่พระที่ลืมเนื้อลืมตัว ไม่ใช่พระที่ติดอยู่ในโลกามิต ท, ทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ทมไปทั่วไปในโลกอันนี้ไม่เป็นของแปลกประหลาดยิ่งกว่าธรรมที่พระลูกศิษฐาโคตกําลังบําเพ็ญปุ้เขี่ยขุดค้นอยู่ภายในใจในกายของตัวเองนี่อันนี้เป็นของประเสริฐมากเป็นของแปลกประหลาดมากผิดจริงทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ พญานั้นท่านจึงสอนให้หลงไม่ให้ลืมเนื้อเลื่อนตัวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของไม่ได้มีคุณค่าอะไรนักเพียงอาศัยส่วนร่างกายไปรันหนึ่งวันหนึงเท่านั้นอย่าให้ได้เป็นขวากเป็นหนามมาทําลายการดําเนินเพื่อทําอันประเสริฐเลิศเลือซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจกายของเหล่านี้ได้แก่อริยสัจสี่นี่แหละเป็นทางเดินเพื่อความสุดทนได้โดยถูกต้อง และเป็นทางเดินเพื่อทําอันประเสริฐศัจจธรรมทั้งสี่นี้เป็น ท, ทางอันประเสริฐเป็นแนวทางอันประเสริฐที่จะยังที่จะทําให้ผู้บําเพ็ญถึงทำเด่นประเสริฐได้ต้องเป็นผู้สมบูรณ์ในศัจจธรรมทั้งสีนี้โดยทางมักคือปัญญาเป็นสําคัญท่านจึงสอนให้ลืมเนื้อลืมตัว เราจะเห็นได้ที่พระองค์ทรงสลดสังเวชจากการพิจารณาของพระองค์จนถึงกับได้ตรัสรู้แล้วนำธรรมมาสั่งสอนโลก mm hmm. เช่นวันบำเพ็ญที่จะตรัสรู้ในคืนวันเดือนหกเพนเ mm hmm. บืองต้นท่านก็ทรงบำเพ็ญอนาปานสติ ที่ยึดได้จากอดีตในคราวที่พระราชบิดาธพาสเสด็จพาสเสด็จตอนแรกนาขวาัญพระองค์ประทับอยู่ใต้รูปไม้ทรงเจริญอนาปาติได้รับความสงบร่มเย็นมากมาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วทรงย้อนน ล, ลึกถึงการนั้นด้วยอนาปาทินั่นแหละ ได้นำมาเข้าสู่ในวงปัจจุบันของการบำเพ็ญในคืนวันเดือนองเป็นนั้นนี่เริ่มต้นที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการภาวนาของพระองค์ในปฐมมยามบุเพนิวาสานุสติยานทรงละลึกชาติคือชาติของพระองค์ดวงวิญญาณของพระองค์คือดวงจิตของพระองค์นั่นแหละ ที่เคยท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่มาไม่รู้กี่กลับกี่กันนับจํานวนไม่ได้เลยว่ามีมากมายขนาดไหนเพราะตายแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วตายเล่าวกเวย็นหมุนเย็นเปลี่ยนแปลงไปในพบน้อยพบใหญ่สูงสู ง, สงต่ําๆำเรือนุ่มดอนดอนตา ม, ตามอํานาจแห่งกรคำดีคำชั่วที่สับปนกันอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวนั้นนี่พระองค์ทรงเร่งดุยานเร่งยานเท่ากับ ว่าได้ตรัสลุเหรือได้บรรลุปุเพนิวาสานุสิทินิสิติยานคือยานอย่างทราบหรือเลือกชาติถอยหลังที่เคยเป็นมาแล้วได้มากมายแล้วทำให้พระองค์เกิดความสลดสังเวกในการท่องเที่ยวแห่งวัตฏสงสารของจิต ด, ดวงนี้ดวงนี้คือจิต พ, พระองค์นั่นแหละทรงพิจารณาไปตั้งแต่อดีต ย้อนไปถึงอดีตจนหาประมาณไม่ได้เรียกว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งทางที่อันเป็นที่ท่องเที่ยวของวัตถกิตดวงนี้ย้อนจนย้อนเข้ามาสู่วงปัจจุบันคือขณะที่ประทับอยู่เวลานั้นได้ทรงทราบถึงเรื่องความเป็นมาของพระองค์ว่าคือใจดวงนี้แหละเป็นผู้เป็นมา ในพบในชาติทางหลายดังที่กล่าวมานี่จนถึงวงปัจจุบนันนี้ได้เกิดความเฉลิโดสังเวกในการเกิดการตายของพระองค์ว่าไม่มีอะไรที่ปรากฏว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลยเลยการเกิดการตายคือการแบกหามของทุกทั้งหมดพบน้อยพบใหญ่มีล้วนมีทุกทั้งนั้นมากน้อยต่างกันเป็นลำดับเป็นดาตามกรร ม, มนิยม นี่ก็ทําให้พระองค์งคงเกิดความสลดสังเวชเรียกว่าเต็มพระไถยในปฐมยามที่ได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณ น, นี้นี่ซึ่งเป็นเรื่องของพระองค์เพียงพระองค์เดียวคือพระจิตหรือวิญญาณดวงนี้ของพระองค์เพียงดวงเดียวเท่านั้นจนพรนธน า, นามไม่จบในเรื่องพบเรื่องชาติเกิดแจเ็เจ็บตายพอถึง มัจฉิมายามก็ทรงบรรลุกตุปาตายานทรงยังทราบเรื่องความเกิดความตายของจิตวิญญาณแห่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในโลกนี้ว่าไม่มีจิตดวงใดที่จะอยู่ได้ว่างเปล่าด้วยความเป็นดิฉละของตน ล้วนแล้วแต่หมุนเย็นเปลี่ยนแปลงเกิดแจกเจ็บตายเช่นเดียวกับพระองค์ที่เคยเป็นมาคือเช่นเดียวกับวินวิญญาณของพระพุทธเจ้าที่เคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นเหมือนกันนี่เป็นวงกว้างขวาขงของสัตวของวิญญาณแห่งสัตโวโลกที่มีอยู่ในสามภพนี้ <invol unt. S 1> ไม่ไม่มีวิญญาณดวงใดจะว่างจากความหมุนเย็น ด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นกรงจักรหรือวัฏจักรนี่เลยแม้แต่ดวงเดียวเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยอมเสวยความทุกข์ความทรมานด้วยความหมุนเวียนเกิดตายของตัวเองทั่วหน้ากันมีอยมีสุขบ้างทุกามีสุขบ้างทุกบ้างอย่างนี้พอประมาณไอ้ไอ้สุขน้อยทุกมากนี่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดในแหล่งแห่งโลกธาตุนี้ ด้วยวิ ญ, ญญาณที่แบกความทุกข์ความทรมานเพราะความเกิดแจกเก็บตายและเพราะกรรมที่ตนสร้างมาเจื้อปนไปในภพนั้นนั้นนี่ทรงเกิด ค, ความสรุรสังเวชมากมายในบรรดาวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายนอกจากทรงสรุรสังเวชในพระจิตของพระองค์ตอนปฐมยามแล้ว ยังมาเกิดความสลดสังเวศอย่างมากมายในจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดและตายอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนไม่เต็มทั่วโลกกระาเต็มไปหมดตั้งแต่เรื่องความเกิดตายของวิญญาณอย่งสัตว์โลกนี้นนี่พูดถึงเรื่องความสลดสังเวศของพระองค์จนได้ทำขึ้นมาเป็นเครื่องทร่ำสอนโลก ในปัจฉิมยามคือได้ตรัสสรู้ธรรมได้แก่สังหารอวิชชาตัวเป็นเชื้อพาให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายหยุดไม่หยุดไม่ถอยนั้นออกจากพระไทยโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละจึงได้ทำอันแท้จริงมาสั่งสอนโลกด้วยความรู้รู้จริงๆเห็นจริงๆเรื่องของพระองค์ ว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ทรงรู้ทรงเห็นในปฐมมยานนะนในปฐมมยาม น, นั้นในเรื่องความเกิดตายของจัตทั้งหลายในแหล่งโลกธาตุแห่งโลกธาตุนี้ก็ทรงทราบชัดในปัจมัจิ ม, ม, มยามคืนวันเดียวกันและการตรัสรู้ทำแทงรู้แจง้งแทงทะลุความวัตจักร ว, วัตจิตออกจากพระจิต โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ได้ตรัสรู้ก็ได้สังหารกันแล้วในคืนมันนั้นจึงเป็นผู้ได้รบรรตัดสรู้รมอันสมบูรณ์เต็มที่มาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่สงสัยไม่ได้เพราะพระองค์ทรงผ่านมาทั้งหมดเรื่องของพระองค์เองก็ทรงผ่านมาแล้วด้วยปุเพนิวาสานุษติสาุษติญาตเรื่องของสัตว์โลกทั้งหลายก็ทรงผ่านมาแล้วด้วยจุตุ ป, ปาตยาต ที่ทรงอย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงเรื่องพบเรื่องชาติที่เป็นเหตุให้ก่อให้สัตว์ทั้งหลายเกิดเจ็เก็บตาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยพระองค์ก็ได้ทรงตรัสทะลุคือสังหารมันเรียบร้อยแล้วในพระทัยของพระองค์เจิงเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์คุทธะเต็มดวงแล้วนำธรรมที่ได้ทรงรู้แจ้งแทงทะลุมาแล้วนั้นมาจำสอนสัตว์โลกด้วยความเมตตาสงสารอย่างยิ่ง ไม่เป็นไม่มีอันใดจะเสมอเหมือนความสงสารนั่นเลยนี่นะศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับผู้ที่มีอานาจวาสนาที่ควรจะได้ครองหรือจะได้พึทธปฏิบัติกราบไหวบูชาเป็นขวานตาขวานใจประจำชีวิตของตนโดยแท้ไม่สงสัย เป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองของสัตว์โลกมาเป็นประจำนับจำนวนไม่น้อยที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ได้ตรัสสรู้แบบเดียวกันนี้และได้สั่งสอนสัตว์โลกแบบเดียวกันนี้ทายทอดกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นี่แหละคือศาสนาที่รื้อถอนสัตว์โลก เป็นศาสนาที่สัตว์โลกได้สร้างบารมีคุณงามความดีทั้งหลายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นบุญญาพิสมภานฝังในจิตใจที่เรียกว่าเป็นอุปนิสัยติดจิตติดใจมาด้วยการสร้างคุณงามความดีจากศาสนธรรมของพระเจ้าหรือจากพุทธศาสนาของพระเจ้าทุกๆองค์เรื่อยมาจะเป็นองค์ใดก็ตามแล้วแต่ ผู้ใดรายใดจะประสบพบเห็นกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆและศาสนาของพู้องค์ได้ผู้ปฏิบัติตามมาล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างคุณงามความดีที่เรียกว่าบารมีมาล้วนๆจนถึงปัจจุบันนี้นีเราทั้งหลายได้พบเห็นพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้ปฏิบัตินี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีมารสนะบุญญาไปส้มผ่านพอประมาณจริงๆไม่เช่นนั้นจะเกิดมาพบผ พ, พุทธศาสนานี้ไม่ได้เลย เราเป็นผู้ได้เปรียบแก่สัตว์ทั้งหลายหรือประชาหรือคนก็ตามในจํานวนจี่ล้านคนมนุษย์เราที่มีอยู่ในโลกนี้เราเป็นผู้หนึ่งที่ได้ประสบพบเห็นพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตามนี่เราจรึงเป็นผู้ได้เปรียบและส่วนสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องพูดหมดหวังจริงๆไม่มีทางส่วนมนุษย์ก็คือเราคนหนึ่งนีไ่ได้เปรียบเกี่ยกวกับมนุษย์ทั้งหลายอยู่มาก ยังขอให้ทุกๆท่านได้ภาคภูมิใจในการบำเพ็ญกุณงามของความดีของเรากับพระพุทธศาสนานี้และได้มอบกายถวายชีวิตของตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาและยึดพุทธทางธรร ม, มงงังสังฆังเทนะกระชามิเป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายกับท่านดังที่เป็นมานี้นับว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นธรรมชาติที่เราทั้งหลายภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเหมาะสมจริงๆ กับภูมิมนุษย์เช่นเราซึ่งเป็นผู้มีนิสัยอยู่แล้วจึงได้ไปตรวจพบเห็นถังผมให้ตัง้งนาตั้งตาต่อพฤทธปฏิบัติอย่าได้ลดละความภาคความเพียรเราอยู่ที่ไหนก็ตามความดีหรือความสุขเป็นสิ่งที่ไม่จีดจางไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ ความสุขหรือความดีความสุขและความดีเป็นสิ่งที่ใครๆไม่รังเกียจแต่พออย่างยิ่งความสุขเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยมาความทุกข์มีแต่คนรังเกียจสัตว์รังเกียจไม่มีใครต้องการนี่เราในบําเพ็ญความดีนี้เพื่อความสุข จะยากลำบากบ้างหรือยากลำบากมากน้อยเพียงไรก็ขอให้ถือหลักความสุขเป็นที่ตัง้งที่จะน้อมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นให้ได้มากน้อยเต็มกำลังความสามารถของเรานั่นแหละเราจะไม่ผิดหวังเพราะอยู่เราก็อาศัยความสุขหวังความสุขการตายไปนั้นเราก็หวังความสุขเป็นหลักของใจเป็นที่ยึดของใจ เป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราถ้ามีแต่ความทุกข์ร้อนโดยถ่ายเดียวแล้วโลกไหนก็โลกเถอะมันคับแคบนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนจึงทําลายตัวเองได้ด้วยความคับแคบจิตตันในจิตใจโลค ก, กว้างแสงกว้างไม่ได้กว้างเลยมันคับแคบจิตตันบีบอยู่ที่หัวใจและตัดสินปลาทางที่ผิดซ้ําข้ับอีกว่าตายแล้วจะสะดวกสบายและฆ่าตัวด้วยวิธีการต่างๆจนตายไปเสีย แล้วเขายิ่งเพิ่มโทษทุกข์เข้าไปอีกหาความเป็นไปดังที่ตัวคิดคาดไว้ไม่มีเลยนี่ก็เป็นความหลงซ้ําเข้าไปอีกมากมายนี่เพราะความทุกข์บีบคั้นนั่นเองคนเราจึงิ่งตัดสินใจไปนในแง่ต่างๆซึ่งส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันออกในทางผิดกันทั้งนั้นไม่ได้ออกในทางถูกเหมือนผู้ที่ยึดหลักทำเป็นหลักเป็นชีวิตจิตใจหรือเป็นเครื่องดาเนินเลยผู้นี้เป็น ผู้ที่ยึดหลักธรรมนี่เป็นผู้มีเหตุมีผลมีการยับยั้งช่างตัวได้ดีไม่ว่าจะเหตุการณ์งานภายนอกภายในผู้มีธรรมย่อมเป็นผู้สม่ําเสมอย่อมเป็นผู้ไม่ผิดคาดเสมอไปเฉพาะอย่างยิ่งเอาเราทําความภาคเพียรให้เห็นชัดเจนกับตัวของเราเองนี่แหละวันใดจิตของเราว่าวุ่นขุนมัววันนั้นภาวนาไม่ได้หลวงนั่าฟังสิวันไหนรัดดัดจิตของเราลึก ปราบจิตของเราได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวอดหานแล้ววันนั้นจิตสงบลงให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเป็นได้สําหรับผู้เด็ดเดี่ยวอดหารไม่สงสัยเพราะนี้เป็นคติธรรมดาของค่าศึกเมื่อมันรุนแรงมากบางทีต้องแพ้นั่นแหละที่เราเป็นทุกข์เพราะความแพ้ไม่ใช่เพราะความชนะแพ้ความคิดความปรุงความทะเยอทยานซึ่งมีอยู่ภายในหวัวใจนี้แหละ ไม่ได้อยู่ที่ไหนผู้ก่อเหตุก็ก่ออยู่ที่ใจเราอยากเข้าใจว่าต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศโลกกว้างแสนกว้างมาก่อเหตุก่อทุกข์ก่อความลําบากให้แก่เราเลยผู้ที่กองความทุกข์ความลําบากก่อต้นเหตุทั้งหลายให้เราได้รับความทุกข์ความลําบากเป็นส่วนมากมากกว่าส่วนดีนั่นคืออะไร ก็คือสิ่งที่เป็นพิษสั่งในภายใจิตใจนี่แหละมันถีบตัวมันออกมามันแสดงลทธิดเดชเมมันออกมาด้วยที่ยาท่าทางต่างๆภ า, ายในจิตใจจึงทําให้เราคิดในแง่นั้นแง่นี้อันเป็นส่วนเสียเป็นส่วนไม่ดีจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านแล้วลําคาญเกิดความทุกข์ภายในตัวเองเพราะธรรมชาติอยู่ภายในนั้นมันมีกําลังมากส่วนทํามีกําลังน้อยก็ต้านทานกันไม่อยู่เมื่อต้านทานกันไม่อยู่สู้กันไม่ไหวเรื่องของ สิ่งที่เป็นพิษก็ยิ่งสนุกสแสดงรวดลายออกดิ้ออกเดือดเต็มฝีมือของตัวเองนั่นแหละเวลาเราได้รับความทุกข์มากเพราะการแพ้ของเราสู้มันไม่ได้มีเราพูดในวงปฏิบัติแล้วนี่แหละผมเคยเป็นมาแล้วไม่ได้โอ้ได้อวดพูดให้เป็นขติแก่มูแก่เพื่อนบางทีน้าตาร่วงก็มีผมบำเป็ญเพียรสู้มันไม่ได้อย่างที่ว่านี่แหละทั้งๆที่เราโม่งไม่ใช่โม่งตําๆนะ ออกมาปฏิบัตินี้เราออกมาปฏิบัติด้วยความมุ่งอันสูงสุดจริงๆริงนับตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติตัวเองนี้มีไม่ไม่ลดไม่ลมนะเมื่อออกมาสมมติสมหมายในความปรารถนาที่จะออกแล้วสู้กับมนันยังได้น้ําตาร่วงเพราะกําลังของมันมากกว่าเราเหยียบย่ําทําลายเราไปต่อหน้าต่อตาจึงเกิดความเครียดแฉนแล้วน้ําตาร่วงออกมานั่น ความเครียดแค้นที่จะเอามันให้ได้ น, นี้เป็นความเครียดแค้นในทางด้านธรรมะเรียกว่าเป็นมัดไม่ใช่เป็นความขึ้นที่ว่าความเครียดแค้นแล้วจะเป็นกิเลสเสียดโดยถ่ายเดียวไม่ใช่ให้พากันเข้าใจไว้ในตอนนี้อีกนะส่วนมากนักประชาวพุทธเหล่านั้นแหละว่าอยากอะไรก็ตามหรือมีอะไรก็ตามที่ที่จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสแล้วให้กิเลสมาปล่อมเอาเสีย ว, ว่ามันเป็นตันหานะ ถ้าอยากอย่างนี้เป็นปัญหาถ้าเครียดอย่างนี้เป็นความโกรธเป็นความโมโหโทโซเลยให้กิเลส ต, ต่อมไปหมดไม่มีความโกรธต่อกิเลสไม่มีความเครียดแค้นต่อกิเลสไม่มีความอยากต่อการปราบตามกิเลสสุดท้ายก็กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอานี่ให้ภาันทราบเอาไว้เรื่องความอยากมีด้วยกันความเครียดความเครียดแค้นมีด้วยกันฝ่ายกิเลสเกลียดแค้นเพื่อผูกมัด เครียดแค้นเพื่ อ, อก่อความทุกข์ความทรมานให้แก่เราเองนั่นเรียกว่าเป็นฝ่ายที่เหลวความเครียดแค้นที่จะดัดสันดานหรือที่จะปราภิเลตอันเป็นตัวฆ่าสึกทําลายเราอยู่ภายในใ จ, จิตใจนี้ให้สิ้นซากลงไปนี้เป็นความเครียดแค้นใยทางมักมีความเครียดแค้นมากเท่าไหร่มีความอยากหลดุ ด, หลดพ้นหุือพ้นหรือมีความอยากชนะมากเท่าไหร่นั่นแหละ ความเพียรยิ่งแต่กล้าสามารถจนกระทั่งไม่รู้หลับรู้นอนเลยนั่นมันเทินในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นค่าสิบของธรรมนี่ความความเพียรเมื่อความเจียดแค้นให้กิเลสมากเท่าไหร่ความเพียรยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดอง น, นี้เราก็เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้หมูพุน่นฟังเฉยๆจะพูดให้ฟังเพื่อเป็นคติ และเป็นทางเดินต่อไปว่าเป็นของมีได้เอาเราเป็นตัวพยานอย่างนี้ก็ได้เราพูดอย่างนี้ต่างหักนะไม่ได้หมายเป็นจะโอ้อวดที่จะทําให้เกิดความเครียดแช่นมากจนถึงกับเอาเป็นก็เป็นตาก็ตายนี่เราเคยเป็นมาแล้วเพราะจิตเสื่อมนะจิตเสื่อมนี้เราเคยพูดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจะเพื่อนฝูงใ ห, ให้ได้ฟังเป็นความเข็ดหลับเสื่อมนี้ทุกข์มากมจิตเสื่อมนี้ทุกข์มากจริงๆ จนหาประมาณไม่ได้เลยไม่มีวันลืมแม้แต่ทุกวันนี้ยังไม่ลืมจะว่าอะไรกันเพราะมันถึงใจจริงจริงจนกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาด้วยจําความที่ว่าจิตเสื่อมนั้นไม่ลืมมันกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาไม่ใช่ความจำํำแต่แล้วมันเป็นความจริงขึ้นมากับตัวเองนี่ทีอพอเราเล่นความเพียรได้พอจิตไม่เริ่มจิตไม่เสื่อมแล้วก็ยิ่งยิ่งเน้นหนักลงไปเรื่อยเื่อยเรื่อยเยเรยเรี ย, เ ย, เยเกว่ผูกเกลียดผูกโกรผูกแค้นกันอย่างหนัก จนกระทั่งนั่งเอาหามลุ้งหามคำ่ำก้นพองเอาเป็นก็เป็นตายก็าตายคราวนี้เราได้อยู่ในอำนาจของเราซะแล้วกิ้เหร่อ่อนตัวลงไปแล้วจิตเราได้เหนือมันแล้วเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายคราวนีจิตดวงนี้จะเสื่อมอีกไม่ได้ถ้าจิตดวงนี้เสื่อมอีกเราต้องตายเท่านั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ตาบได้แสดงว่าจิตนี้ไม่เสื่อมและจะเอาให้ผ่านพ้นไปได้นี่ความเคียดแค้นนี่ถึงใจจริงริงไม่ลืมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เพราะความเสียใจความเสียดายคือเสียใจนี่เกิดมาจากความเสียดายที่จิตเสื่อมจิตเสื่อมนี่ร้อนมากจริงๆนะผู้ภาวนายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเป็นสมาธิไม่เคยสงบยังพอเป็นพอไปผู้ที่เห็นความสงบของจิตจนกระทั่งถึงแน่นปังนี่ผมเป็นจริงๆนะจิตนี่แน่นเหมือนภูเขาเลยทีเดียวทั้งทั้งที่จิตมีที่เลสอยู่นั่นแหละนี่พลังของสมาธิที่มันมีกําลังมากเหมือนกับเป็นหินตั้งแท่งแต่ขั้นแล้ว ก็เพราะการไม่รักษาคือความไม่รอบคอบไม่ฉลาดในการรักษาจิตประเภทนี้นั่นเองจึงทําให้ค่อยเสือเส่อมลงเสื่อมลงโ ด, ด, ด, ดยตัวเจ้าครัวไม่รู้นะเมื่อเสือเส่อมลงไปเสื่อมลงไปแล้วนับเอากลับคืนมาไม่ได้เพียงแต่ว่าเข้าได้บ้างคือเข้าสมาธิสงบ ไ, ได้บ้างมาได้บ้างเท่านั้นก็รู้ตัวว่านี่นี่จิตของเราจะเสื่อมแล้วรีบออกนําเพลินเอาเต็มเม็ดเต็เ ม, ม, ม, มหน่วยถึงขนาดนั้น มันก็เยียบหัวต่อหน้าต่อตาจนปีกว่าๆทาั้งๆเหตถึงในก้าหน้าจึงได้กลับเจริญขึ้นมาแล้วไม่เสื่อมตั้งแต่บัดนั้นล่ละที่นี่ในความเข้มข้นของใจความเคียดแชนความระมัดระวังของใจนี้มีกำลังมากที่สุดเลยจนถึงกขั้นที่ว่านัน่งหามรุ่งหามค่ำโกนพองพองไปอะไรจะตายก็ตายขอให้จิตนี่ได้ทรงตัวไว้เท่านั้น ถ้าจิตนี้ได้เสื่อมเมื่อไรเราจะต้องตายแน่แน่นู่นน่ะครังเดี่วมันจะตายด้วยเหตุใดเราก็ได้คิดถึงพระโคทีกัดที่ท่านเอามีดโกนมาเฉือนคอท่านตายนีมน่มีในตำมีในตำรานะนั่นละ่ะท่านจิตของท่านเสื่อมมาถึงห้าขนเจริญแล้วฌานท่านว่าท่านพูดไว้ในตำราว่าฌานเสื่อมจากฌานเสื่อมจากฌานก็คือเสื่อมจากสมาธินั่นแหละจะไปเสื่อมจากอะไรจะเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมถึงห้าขนหกขน นั่นแหละหนที่หกนั่นแหะท่านเอามีดโกนมาไว้ทีเดียวเลยแล้วลเฉือนจริงๆในตาหนักตำนามีนั่นตายด้วยจริงๆเพราะความที่ท่านเสียใจนั่น เ, เองนีเป็นเหตุที่จะยังถึงกันในเวลาที่เราได้เป็นอย่างนั้นคือกลิ่นของเราเสือเส่อมเสื่อมจนขนะเสียใจยขนาดนั้นเมื่อเวลาก้าวขึ้นมาคราวนี้แล้วจะเสื่อมไปมาได้เราจะต้องตายด้วยท่าใดท่านหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนั่นเังความเสียใจยขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันจึงมีกําลังกล้าเอามากมายในขณะที่ ได้ปราบมันได้อยู่ในขั้นนี้แล้วถึงเอาอย่างหนักที่เดียวนี่ความเป็นแค่นนี้ไม่เรียกว่ากิเลสนี่เราพูดหมายถึงเราจะพูดเอาระหว่างกิเลสกับธรรมเป็นยังไงมันเครียดกันเครียดแช้นกันเป็นยังไงความเครียดแช้นที่เป็นธรรมก็เพื่อจะปราบกิเลสเพราะฉะนั้นจะเป็นกิเลสไปได้ยังไงถ้าเป็นกิเลสแล้วจะปราบกิเลสได้ยังไงนี่เราเห็นชัดๆว่าปราบได้นี่เนื้อกำลัลงความเพียกรกล้าสามารถเข้าเท่าไหร่ แล้วกิเลสยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนตรงรูดนี่เห็นได้ชัดประกอบความภาคเพียนมาแล้วความเพียนกล้าเท่าไหร่อ้าวถึงขนาดว่าลืมหลับลืมนอนบางทีนอนไม่หลับเพราะความเพียนกล้าเนื่องจากความเพลินในการต่อสู้กับกิเลสความเห็นโทษก็จนเกิดให้เกิดความเพลินอันหนึ่งเหมือนกันเพลินด้วยการจะปราบมันนั่นเองแล้วเรื่องของสติปัญญารวดเร็วคล้องตัวก็เพลินไปอีกอันหนึ่งนี่แหละทําให้เพลิน ความเพลินความไม่อยู่ไม่ถอยในความภาคความเพียรมันก็เป็นมากนี่เรามีกําลังกล้าอย่างนี้เองแล้วความอยากหลุดพ้นหรือความจะเอาชีเล็ชนะกิเล็ดไม่มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่ก็มีกําลังกล้าเพราะฉะนั้นความเพียรจึงมีกําลังกล้าเนี่ยมันเป็นประตำตาไปอย่างนี้ถ้าเรียกว่ามากทั้งมวลกําลังกล้าสามารถทุกสิ่งทุกอย่างในด้านธรรมะที่จะปราบกิ้เล็ดแล้วเป็นมากทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าเป็นชิเล็ถ้าเป็นชิเล็ดแล้วจะแก้กันไม่ลง นี่เป็นมากยิ่งแก้กิเลสและปราบกิเลสได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวอาหารด้วยความเผ็ดร้อนประเภทนี้ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้อืมเรื่องความเพียร น, นี้จะมีเป็นพักๆตอนตอนไปที่แรกนี้ก็อืดอาดเหนื่อยหน่ายภาวนาก็มีแต่ความขี้เกียจขี้คลานเพราะยังไม่เห็นผลแต่พอได้ปรากฏผลเริ่มขึ้นมาเป็นสมาธิจิตเริ่มจะสงบจิตเริ่มสบายทีนี่ความเพียรเริ่มก้าวเพราะจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดไปไปทางโลกทางสงสารมีแต่ความสงบ ใจอิ่มตัวด้วยธรรมคือความสมงบเย็นภายในจิตใจสบายนี่นี่พออยู่แล้วธรรมะเราถ้าจิตสงบถ้าจิตเป็นสมาธิได้อยู่ไหนก็พออยู่ได้สบายถึงจะยังไม่ได้มีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าในทางปัญญาก็ตามเพียงขั้นนี้ก็พออยู่พอกินเพราะฉะนั้นผู้จิตที่เป็นสมาธิจึงมากจะติดสมาธิไม่อยากจะออกก้นฝายเนื่องจากไม่เคยเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เหนือสมาธิไปจึงต้องติดในสมาธิถ้าไม่ มีผู้แยกผู้แย่ไม่มีผู้ดุผู้ดา่าหรือสั่งสอนว่ากาล่าวให้รู้จักวิธีการก้าวเดินธมาธ่จะติดอยู่นั่นแน่แ น, แน่แล้วจนกระทั่งวันตายหาทางออกไม่ได้เลยแล้วไม่หานี่มันจะหาได้ยังไงนี่อันหนึ่งแต่นี้พอก้าวออกทางด้านสมที่ออกก้าวก้าวทางด้านปัญญาที่นี่ปัญญาจะเพิ่มเริ่มไหวตัวไหวตัวไปไหนไหวตัวไปในสิ่งที่เป็นเครื่องผูกพันต่อเราแต่ก่อนมันเคยรักรักอะไรนั่นทังสิ อะไรที่เป็นวิสภาคของของเรามันก็ต้องจอเข้าไปตรงนั้นมันรากอะไรรากรูปรูปอะไรนั่นอย่างเมื่ไปก็ทราบเองนี้นะเสียงอะไรน่นะกลิ่นอะไรนั่นรถอะไรนั่นฟังสิเพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจหมายที่พูดนี่นี่แหละที่เป็นวิสภาคคือเป็นค่าสิกต่อกันมาเป็นประจำแต่เราถือว่าเป็นความรักความชอบใจของเราเพราะเป็นกิเลสทั้งอัน ทั้งดวงจิทของเราเป็นกิเลสตั้งวงิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันจึงเข้ากันได้สนิทไม่มีทางคิดว่าจะต่อสู้ทางคิดว่าจะเห็นโทษเห็นภยัยแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปแล้วมันจะเริ่มเห็นโทษนะเออเห็นโทษสิ่งที่เราเคยว่าเป็นคุณสิ่งที่เราเคยบูชามตลอดเวลาและถูกมันกล่อมอยู่ตลอดเวลาและจะเริ่มตื่นตัวขึ้นมาด้วยปัญญานี่ละท่านจึงเรียกว่าปัญญาพอสอดเข้าไปพับสอดเข้าไปพับตรงไหนตรงไห น, ไหนจะค่อยทราบ เ, เห็น เรื่องโทษเรื่องคุณขึ้นมาเป็นคู่เคียงกันไปคู่เคียงกันไปเดิมดับไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งเห็นแต่ว่าเป็นคุณอย่างเดียว ท, ทั้งที่มันเป็นโทษนะพอปัญญาย่างเข้าไปมันจะเห็นเป็นโทษแทรกเข้ามาในทางปัญญานี่ปัญญาก็ก้าวเดินพิจารณาที่จะพูดถึงเรื่องอ น, นิจจังเอา้เอาเตรงไหนมันเที่ยงมีไหมในสกลนาการของเขาของเรานักทุกขงับงขบีบบังคับตลอดเวลาหาความสุขเมือ่อได้เมื่อไหร่นั่นอนัตตาถือเอาเป็นสาระแก่งสารที่ไหนได้ นี่อันหนึ่งและแยกส่วนมากมักจะแยกเข้าไปอสุภอสุพังนี่แหละอันสําคัญมากที่จะแกะ้เรื่องของราคะทําราคะให้เบาลงโดยลำดับๆจนจับเงินได้และจับตัวของมันได้ก็เพราะเรื่องอสุภอสุพังเป็นสําคัญนี่ถ้านอปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้ทีนี้พอปัญญาก้าวเดินนี่แล้วเห็นเหตุเห็นผลไปด้วยแล้วทําไมปัญญาจะอยู่ที่นี่เห็นผลแล้วมันต้องก้าวเหมือนเราทํางานทําการปรากฏผลขึ้นมาอย่างไรอางและเจ้าของต้องมีความขยันหมั่นเพียรเช่นการค้ามีกําไร ก็ยังมีความเพลิดเพลินในการในงานไม่ขี้เกียจที่ขั้นเหมือนที่ว่าทาขาดทุนทุกวันทุกวันแล้วคอยจะจมใครจะมีแก่ใจค้ามานันล่ะนี่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเพอถึงขั้นที่ปัญญาก้าเดินเอาพิจารณาจากนั้นแล้วก็จะเป็นปัญญาหมุนตัวไปโดยลำดับลาดานที่เคยพูดให้ฟังแล้วว่าภาวนามัญปัญญาหมุนไปละนี่หมุนเรื่อยๆเรื่อยหมุนไปตลอดยิ่งเห็นยิ่งรู้ ยิ่งเข้าอกเข้าใจสิ่งไม่เคยรู้รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาไม่เคยคาดเคยคิดไม่เคยเนึกว่าจะอะไรอะไรที่เราไม่เห็นมาแต่ก่อนว่าไม่มีไม่มีปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมารู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมานี่สีมันจึงทําให้รู้ได้ได้อย่างชาัดเจนว่าจิตนี่พิสดารมากที่สุดน่ะตาหูจมูกเดินกายนี่พิสดารที่ไหนตาก็มันแค่รูปเท่านั้นเลยจากนั้นแล้วมันไม่ได้เรื่องหูแค่แค่เสียงเท่านั้นเลยนั้นแล้วไม่ไม่เลยเรื่องจมูก แล้วนี่เหมือนกันแค่ลิ้นท่านั้นเราลิ้นแค่รสท่านั้นเลยนั่นแล้วไม่ได้เรื่องไปทําหน้าที่อื่นนอกจากหน้าที่ของตัวโดยเฉพาะแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเอาตาให้ไปฟังเหมือนหูได้ไหมมันไม่ได้เอาหูไปดูเหมือนตาได้ไหมไม่ได้เนี่ยมันขัดกันนะครับแต่เรื่องของใจนี่เมื่อได้เปิดสิ่งที่มืดมิดปิดบังออกจากใจเดิมดําดับก็เหมือนกันกันกบเมฆหมอกที่มันจางไปจางไปแสงพระอาทิตยย่อมฉายแสงอยู่แล้วภายในใจนั้นย่อมจะกระจ่างออกมาคือนี่เหมือนกันอย่างนั้นแหละ คือจิตนี้จะกระจ่างออกมาสิ่งไม่เคยดูก็เห็นมันมีอยู่แล้วมันต้องเห็นที่นี่ก็เห็นไปเห็นไปแจ้งไปเรื่อยแจ้งไปเรื่อยนี่แหะที่ว่าเป็นเมื่อนอันหนึ่งที่จะให้ยังทราบถึงเรื่องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงรู้ทร ง, ทรงทรเห็นจริงหรือจึิงในมาสั่งสอนโลกว่านรกมีจริงหรือสวรรค์มีจริงหรือบาปมีจริงหรือบุญมีจริงหรือและธรรมโลกมีจริงหรือนิพพานมีจริงหรือมันไม่จริงได้ยังไงประจักษ์อยู่ในหัวใจหัวใจใจตรงนี้มันประกาศกังบาลถึงกันอยู่ประสานถึงกันกับความจริงหลายที่พระพุทธเจ้า สาวกทั้งหลายรู้แม้จะตัวเท่าหนูนี่ก็ตามเธอดจิตไม่ได้เรียกบ้านหนูนี่ดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่านัตติสทโยปาปอยู่นี่ผมพูดย่อๆเลยว่าบรรดาท่านผู้ที่บริสุทธิ์จิตมีจิตที่บริสุทธิ์บิดมุมดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วมีความเสมอภาคกันหมดไม่มีปรากฏว่าจิตดวงใดยิ่งย่อนกว่ากันนั่นบางทีนี่แหละจิตธรรมชาติอันนี้แหละเป็นธรรมชาติที่รู้จะว่าไงาน้องก็รู้สิพระพุทธเจ้ารู้เอตัวเท่าหนูทำไมจะรู้ไม่ได้ สิ่งที่อยู่ในวิสายของตนที่ชวรรู้ได้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันกันเป็นเครื่องยืนยันรับรองมอบลาบคาบแก้วมอบตรงนี้แหละมอบต่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงตรงนี้ลงลงตรงที่บรรลุในจิตใจด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งของตัวเองที่เรีพังประจักษ์ใจหมดแล้วเป็นยังไงจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นยังไงนั่นทำพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงนี่เข้ากันแล้วนี่ไม่ต้องไปเทียบก็ได้นะนีสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นเห็นไมมเดี๋ยวนี้รู้ไหม นี่ปฏิเสธได้ไหมว่าไม่ว่าไม่รู้ไม่เห็นเป็นไรทั้งที่เห็นอยู่นี่ปฏิเสธได้ไหมนั่นปฏิเสธไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นต้งยอมรับยอมรับนี่ละที่ว่ายอมรับศาสนาของพระพุทธเจ้าว่าจริงจริงจอย่างนี้เองถ้าจะเป็นผู้ยอมรับไงแต่เราตัวเท่าหนูเรายังยอมปะเช่นผู้เป็นพระรหัสรหัสท่านทําไมท่านจะไม่ยอมล่ะเราตัวเท่าเพียงตัวเท่าหนูเรายังยอมแล้วเวลานี้เรายอมจริงๆรตายก็ตายเถอะเราว่ามีอะไรเสียดายยิ่งกว่าทําระพุทธเจ้าหัวเราขาดขาไปเลย ล้วไม่เคยเสียดายอะไรยิ่งกว่าทำพุทธเจา้าแต่ทำพุทธเจ้านี้ไม่ได้ว่างัันเลยเป็นเอาเป็นตายเข้าสู้เลยนี่เพราะเห็นอย่างเห็นความจริงอันนี้เองนี่แหละที่เราพูดถึงเรื่องปัญญาเพราะอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบไม่เคยรู้รู้ไม่เคยเห็นเห็นไม่เคยละละได้จะว่าไงสิ่งที่ว่าท่านมาประเสริฐประเสริฐตะกอนได้ยินแต่เล่าให้ฟังได้เห็นแต่าตาหนักตำลามันมีแต่วความจำความคาดคะเนเวลามันไปเจอกันเก่าจๆด้วยความจริงนี่จะว่ า, างไง จะพูดอะไรได้ปฏิเสธได้ไหมนั่นมันปฏิเสธไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่จ ะ, จะยอมรับกันแล้วด้วยความจริงต้องจริงเหมือนกันหมดเรายกตัวอย่างเช่นอย่างการรับทานเพียงเท่านี้แล้วนะเราไม่ต้องพูดอะไรมากมายความอิ่มนั้นอะเป็นยังไงถามกันไหมรับทานอยู่กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ตามเถอไม่มีใครจะเป็นบ้ามามาถามว่าผมอิ่มแล้วยังเนี่ยความอิ่มของผมเป็นยังไงไม่มีใครจะถามมันดูกันมาตั้งแต่รถรถเที่ยวรถหวานรถเ็มรู้มาเดิ่มดับดึก จำพ่อตนจำพ่อตนโดยไม่ต้องถามกันเพราะต่างคนต่างไม่สงสัยในลิ้นในปากตัวเองแล้วสงสัยอะไรถึงอิ่มถึงขั้นอิ่มก็ไม่ได้สงสัยในท้องตัวเองแล้วไม่สงสัยคนอื่นได้ยังไงเราไม่สงสัยเราแล้วนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นทำที่รู้ได้เห็นผู้ปฏิบัติเห็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกท่านากันพยายามปฏิบัติทำนี่ ส, สดสดร้นอนๆอนแท้แทเราอย่าไปคิดว่าการนน้นสถานที่เวลาเวลาโน้นมีทำเวลาโน้นทำได้หรือทําคือทําราสมัยนี่เป็นเรื่องของกิเลส ที่มันเคยกล่อมโลกให้หลับสนิทแล้วมันขึ้นขีอยู่บนหัวหัวใจของเรามากี่กับกีจกันแล้วต่างหากมันหลอกทำแท้ท่านไม่หลอกท่านจะเป็นไปตามความจริงรู้ก็รู้ตามความจริงพระพุทธเจ้าจึงรู้เมื่อรู้ตามความจริงแล้วจึงสอนออกมาด้วยความจริงลบล้างกับความจำปลอมของจิเลศเพราะจิเลศนี่มันปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ทำมังพเจ้าจริงร้อเปอร์เซ็นตเดินสวนทางกันลบล้างกันอย่างเต็มที่เลยไม่มีอะไรที่จะลบล้างยิ่งกว่าทำกับจิเลศลบล้างกันละ เมื่อถึงขั้นสติปัญญาธรรมเป็นต้นมีขึ้นภายในจิตใจแล้วจะลบล้างทั้งแต่กิเลสทั้งนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วอยู่แสนสบายนั่นแหละจิตวิญญาณดวงนี้แหละดวงที่พ้นจากความกดท่วงทั้งหลายของมัตตจักวัตจิตแห่งแดนสมมุตินี้มีจิตดวงนี้เท่านั้นที่หลุดพ้นได้หลุดพ้นได้มีจิตพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นสาวกของพระเจ้าแต่ละโพระองค์ทั้งหลายเท่านั้นที่หลุดพ้นไปได้ ที่อยู่เป็นอิสระแต่เราว่าอยากจะพูดว่าอิสระเหลือเดี๋ยวมันก็ก็จะหมายไปอีกนะเพราะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเราอยู่อิสระเหนืออย่างนั้นนี่เป็นสมมติอันหนึ่งนะมันเป็นสมมุติแต่ละอย่างอย่างแต่เมื่อเป็นเข้าไปแล้วก็ทราบเองออเป็นยังไงจิตเป็นอิสระเป็นยังไงจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วเป็นอิสระเป็นยังไงจิตที่ว่าพ้นจากกิเลสเป็นจิตวิเศษวิเศษยังไงก็ผู้ผู้นั้นคลองอยู่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนเมื่อถึงใครรู้ เข้าไปมันก็มันก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนอย่างรถต่างๆที่ลิ้นเราสัมผัสเข้าไปพับพับ พ, บพับมันก็รู้เองด้วยเองไม่มีอะไรสงสัยนี่แหละรับรับวันนี้กระไดพูดถึงเรื่องปฏิบัติทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาดําเนินมานี่เป็นที่แน่ใจหายสงสัยไม่มีที่สงสัใงยในแง่ใดแล้วองค์ท่านเองก็เป็นผู้ตักตวงเอามากเอาผลเต็มหัวใจแล้วไม่อย่างนั้นอถิของท่านจะการปพระทาตได้ยังไงเห็นไหม เวลาท่านเถิดแสดงธรรมเราไม่ได้มาหมายเอาพระอระพระบรมเอาพระอาทิาตยานุของท่านว่าเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมที่ท่านสอนเราหนะที่ทำที่ท่านสอนเรานั้นยิ่งวิเศษวิโสอยู่แล้วจะว่าไงอยอมรับกันอยู่แล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ตายคุณภาษาให้เต็มปากเราเนี่ยออืยอมรับแล้วว่าท่านอาจารมั่นเป็นพระเช่นไรออันนี้เป็นพยานอันหนึ่งตั้งหากที่ออกมาทีหลังนี้เวลาท่านตายไปแล้ว เวลาท่านยัมีชีวิตอยู่ก็คือรถแห่งธรรมของท่านที่แสดงออกมานั่นแหละเป็นสักขีพยานยืนยันให้ทราบว่าท่านเป็นพระเช่นไรนะแล้วเวลาท่านมนรณะภาพจากไปแล้วอัฐิของท่านจึงกลายเป็นพระธาตุขึ้นมานี่เป็นพยานอันดับยาบอันหนึ่งต่างหากเยอะยากยิ่งกว่าธรรมที่ท่านแสดงมาซึ่งก็เป็นที่ทราบซึ้งต่อวงลูกศรริษย์ตั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังมากันมาแล้วทั้งหมดไม่ได้สงสัยท่านนี่อันนั่นเป็นเกิงแสดงออกนั่นเห็นไหมท่านตักตวงอาไหม ปฏิบัติธรไม่ถูกจะได้ตักตวองอกมาผลได้เหรอือนั่นเหมือนอย่างก้าวเข้ามานี่ก้าวเข้ามาไม่ถูกทางก้าวมาวัดป่าบรรดาไม่ถูกทางจะไปเจอวัดป่าบรรตาได้ยังไงต้องก้าวเข้ามาถูกทางถึงจะเจอวัดป่าบรรตาได้นี่ชั้นในต้องก้าวถูกอัดถูกทมจึงสามารถตักตวองอกมาผลนิพพานได้เต็มหัวใจตามหลวงปู่มัน่นหลว ง, ลงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทั้งห ล, งหลายนี่นี่แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์เสาเหมือนกันทั้งสองพระองค์นี้เป็นผู้อถิการมระรธาตุด้วยกันทั้งสององค์ นี่เป็นพยานอันหนึ่งแท้โลกทั้งหลายได้เห็นเมื่อเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังอัธรรมที่ท่านทั้งสองนี้แสดงออกมาในแง่ใดลึกตื้นยาวละเอยียดแค่ไหนก็ให้เขาได้เห็นอันนั้นเป็นพยานอันหนึ่งส่วนผู้ที่ได้ยินได้ฟังชัดเจนประจักษ์ใจแล้วจากที่ท่านการจากที่ท่านแสดงให้ฟังนั้นมันก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปแล้วนี่เป็นธรรมที่ละเอียดมากซึ้งมากทีเดียวนี่เราจรึงไม่สงสยัยเรื่องปฏิบัทาของพระแม่กูรจาร์เนี่ย ดำเนินด้วยความถูกต้องราบลื่นดีงามช่ำแฉมเสมอไม่ผาาไม่ผ้นโลดเตทนไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่มีคมาําว่าแข็งแข็งเพิงเพ่งอยากเด่นอยากดังไม่มีมีแต่เป็นสวดคาธรรมเดินตามสวดคาธรรมเรียบล่าไปเลยนี่เป็นธรรมแท้ไม่มีคำว่าอยากโออยากอวดอยากแข่งผู้หนึ่งผู้ใดอยากยกตนข่มท่านประการใดอย่างไม่มีในปฏิวัติคาของหลวงปู่มั่นเพราะเป็นปฏิวาที่เป็นธรรมล้วนๆย่อมม่กระทบใครทั้งนั้นเนี่ย ไอ้สิ่งที่กระทบน้นกระทบนี้เหยียบน้นยำ่ำนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกโดยอาศัยธรรมเป็นโลกบังหน้าทอนนั้นเองนี่มีอยู่มากเวลานี้ให้พาราคนมัิระวังกําลังแทรกขึ้นอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละวงศาสนาวงมัดวงาวงาวงนักปฏิบัติมันมีแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาการบ้านการเมืองแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเห็นแคน่ตุวันนี่ดูอา้าวมันไม่เห็นได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่มนุษย์ดูกันทําไมดูไม่ออกฟังกันทําไมฟังไม่ออกล่ะก็ภาษาเดียวกันมันต้องรู้มันต้องรู้มันต้องเข้าใจอืม ใครจะไปโง่ขนาดไหนว่ากล่อมให้หลับปะสทุอย่างได้เหรือเรียนมาคัมภีร์เดียวกันทํำไมจะไม่รู้และยิ่งได้ปฏิบัติด้วยแล้วเอานั่นยิ่งชัดเจนอมืมันจะเล่นลวดลายไหนมองเห็นหมดชัดเจนหมดขอให้ผู้ปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจถึงอัตถึงธรรมเถอะไอ้เรื่องลวดลายของพิเดชมันจะออกมาแบบไหนไม้ไหนออกมาจากผู้ใดจากสำนักไหนกลุ่มใดมันต้องรู้หมดนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเอานั่นมันหยับหยาพิเดชมันละเอียดเมื่อไหร่เราจะเหนือธรรมผู้ที่ของผู้ที่ผ่านพ้นไปแล้ว ต้องเป็นผู้ละเอียดต้องพ้นแหลมคมยิ่งกว่าที่เลสที่แสดงออกตัวออกมาท่างนั้นเป็นแต่ท่านไม่พูดท่านั้นเองพูดแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยเรืืื่อไปให้ก็เป็นอันให้ทราบไปโดยไนาย่าว่าที่ไม่กล่าวถึงนั่นก็ก็คือว่าไม่สนใจคพูดง่ายอันใดที่กล่าวถึงเน้นหนักในกองไหนให้ถือจุดนั้นเป็นจุดสาคัญเท่า น, นั้นเองนี่ผูป้ปฏิบัตินะตามอย่างนั้นแล้วสม่ําเสมอเป็นสุขโตเดินไปก็ดีพูดไปก็ดีเป็นสุขโตดีดีดีดีนั้นไปดีไปดีพูดดี ไม่ให้กระตุกกรือนผู้ใดนี่ท่านบอกเป็นธรรมการพูดนั้นยาะยุแย่นี้ยุยงนั้นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมมันเรื่องของกิเลส ต, ตัวโสกกระโปงพูดออกมาอะไรโสกกระโปงยุนั้นแย่นี้วัดว่าตัวข อ, ของตัวดีอย่างนั้นเหยียบย่ทำทําลายของเขาไม่ดีอย่างนั้นนั่นแหละตัวตัวเสน่ห์จันไรตัวโสกกระโปงมากที่สุดให้ระมัดระวังจิตของเราก็เหมือนกันมันไปดูถูกเหยาะยามผู้ใด ให้ดูเนี่ยแล้วโอปนันยโกคือพูดทั้งทางนอกย่นเข้ามาทั้งทางในให้มันเห็นทั้งทางนอกเห็นทั้งทางในรอบไปหมดทุกอย่างจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติรอบครอบแล้วดูพระรางจิตของเราอีกด้วยมันไปดูถูกเยา่ยยองไหนผู้ใดว่าเราดีกว่าผู้ใดเราจะเดี๋ยวฉลาดกว่าผู้ใดเรามั่งมีสีสุกกว่าผู้ใดเรามีฐานะดีกว่าผู้ใดเราเป็นชาติชั้นบันน่าใดมันคิดออกอย่างเรื่องอะไรนี่คือเป็นความผิดของเจ้าของให้ดัดสัญญามันตรงนี้นี่ความผิดมันอยู่ในจิตนี่ก็ผิดเจ้าของไม่คนอื่นไม่รู้เจ้าของก็รู้ ผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องเคยดุลรู้ให้เจ้าของลูยเจ้าของเองแก้เจ้าของเองดัดเจ้าของเองนี่เป็นธรรมสำหรับผู้นั้นนี่แหละคือผู้ปฏิบัติธรรมแท้ให้รอบทั้งทางนอกข้างในแล้วก็ไปด้วยความสม่ําเสมอให้อภัยกันได้ทุกอย่างเอรู้ได้กันได้สะดวกสบายเช่นหนึ่งอย่างนี่สุนทรกับเราอยู่ด้วยกันเห็นไหมนี่มันเป็นประเภทหนึ่งเราก็เป็นประเภทหนึ่งทำไมมันอยู่กันได้นี่รู้สิเพราะความจงรักภักดีเพราะความเมตตาท้งสารกันให้อภัยกันมันอยู่ได้เห็นไหี้ราดูเอา นีดเอาพูดมากมา ก, ก็รู้สึกว่าค่อยเหน่อยกว่าเหนมันนั่งเป็นเองเตีกว่าจะเปียกธรรมดากันนะเอาละนะพอนั่หนักก็หนักเอาเป็นเองดีกว่าเนี่ยแต่ยังตีกันยังดีแต่ใหมีความปนนี้เรือสามต่างกันนี่ เ, นเหมือนก็ตีกลาให้เห็นเวลาเนะี่ยเราไปดูที่เขาเอาเด็กจํานวนเหล่านี้มารวมกันนะั่นน่ะเนีเห็นได้ชัดเจนเป็นเครื่องประทับใจมากทีเดียวถ้าอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเป็นมันก็ไม่ค่อยดะมองเห็นกันชัดเจนนะี่เราไปดู ดูพวกกองทุกมารวมกันพวกอวัยวะบกป้องมีคนมีการมามาบวกมารวมกันแล้วมันก็เห็นได้ชัดเด่นขึ้นภายในจิตใจทําความลึกไว้ได้หนานหลวงจุ๊บุเจ้าสอนได้ผิดที่ตรงไหนไม่มีที่ผิดก็เห็นได้วถึงสอนออะไรมาผิดพอดังที่พูดวันนี้เองืงผู้เผยน่วา่าสพระองค์ก็ทรงทราบในห้องผู้เองเสียเองชัดเย็นอืมาชิมายามก็ รู้เรื่องของสัตว์เนี่ยพอวันแรที่สามก็ตัดสินกันกับวิชาที่พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดนัน่นจึงได้สอนโลกด้ยกอย่างชัดเจนด้วยความรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนมากอืมอันนี้ยังไงกั น, ง น, <c oughs> นีัมนมก็อยู่กับคนิ่งคนเยน็นอยู่คน อบุ่นนี่นะว่ามันมันวาสนาดีนะพวกสานียินอิ่มมีพีหมานี่อาหารมันจะพูดว่าดีกว่ากาดีนี่ไม่ถูกปากมันไม่เอาเฉยก็ออาหารถูกปากมันน้นุนดูดีนะให้ปังให้อ้วนกินตของดีๆันนานเป็นไม่นานมั น, น, น, น, น กรรมมันดีนะมันเคยมันไปทุการมานที่ไหนแขนสบายไม่มีใครแตะใครตบมมนมีใครตีใครเกี้ยนกินดาสมบูรณ์ปูนผลันก็ว่าสนามอหนือนแต่มาตั้งหลายมันได้จินเหมือนมันมีมากมายกรรมเป็นนั่น พระ อ, อะไรที่สัตหาไปกรุงเทพหลังเราจากเราไปแล้วชื่อพระ อ, อะไรดีมาได้ยัง อ, อะไรเดชที่สมเด็ได้ไรพิเดชเนาะใช่ไหมมาพูดกับท่านมาไงาก่อนที่จะไปกรุงเทพนะฮะบอกมาทีจ้าคุณพ่อผมคยจังตึงมึกไป มีมั่นว่าไม่ตีมากเลยออกมาออกมาไหนไรว่าไงว่าไงพูดชัดๆเดี๋ยะมั่นได้ไปหาคนอื่นคนอื่นมากเองมากิดเพี้นเป็นแตงบาดมากก็เล่นมาลาก็ไปเลยนั่นสิแื้วแ้งบานล่าสะล่าไปไหล่ะมันล่าไปปวดโลกปวดใจเลยปวดโลกอุเทนเราองค์นึงเนยอยากไปนั่งผมบจะไปสององค์มันสมบัติอะไรอยไปนั่งเพื่ออะไรองค์นี้ชื่อว่าไงองค์อยไปนั่ง สถาพ้นหรอฮึองไหนสถาพ้อนเนือ น, นนนเอนี่ภาเหล่านี้กาลังจะแวกแนวนะเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยไม่เป็นงั้นท่านพิเดศอะไรนี่ผมก็บอกว่าให้ให้ออกไปแล้วทำไมยังกลับมาอีกเกิดจากภาษากลับมาอีกผมให้ออกไปแล้วนี่พระ อ, องค์นี้มันชอบคนอยู่จึงให้ออกมันจะมาทําเปื้อนในวันนะี้นะดูเอากับอัิยาดูอะไรๆไม่เหมาะแล้วจึงให้ออกบอกให้บอกแล้วไปแล้ ว, ลวกลับมาอีกนี่พระ อ, องค์นี้ มันจะมาให้เพื่อนนีนะกรรมฐ า, านลังจะเป็นบ้างเเนี่ยนุ่นเต็มกรุงเทพ ม, มันผิดอะไรที่ผมพูดเอาไว้นะ่ะพ่อทีวัดตังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่พารำเนินนี่คนทั้งหลายก็นับถือนแล้วแล้วก็ะสายท่านอาจารย์มั่นคนทั้งหลายก็นับถือเนี่ยมันจะออกตุตรงนี้นะมันจะออกช่องนี้นะวะใครก็่านี่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นข่านี่เป็น พ่อก็มาถามสาท่านอาจารย์มั่นว่ามันขายยจีงเป็นไปหมดเนี่ยแล้ววิโตวิญญาณมากตรงนี้แล้วว่ากำลังเริ่มเป็นไปตามที่คิดแล้วนี่ผิดที่ตรงไหน ต, ต่างองค์ต่างแท้ต่างแซงใเวลานี้ไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์มันหมดอย่างอายเน่ะกําลังแทรกําลังแซงไปน่ะอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเวลากินรวงพึ่งไว้มันแซงหน้าแซงหลังนั่นนั่นอย่างนี้เหมือนกันใครก็เก่งเก่งคมันมีแต่เก่งเก่งนั่นเดียานี่นะ ผมไปกรุงเทพคราวนี้ผมสัทถะไปด้วยความจําเป็นนี่ไปทราบว่าพระเหล่านี้ก็ไปอย่างนั้นไปอะไรก็ไม่รู้นะเนี่นมีน้ำทังวัดเราอีกไปอีกท่านพี่เด่ไปอะไรไม่ได้พูดเรื่องราวแล้วให้ท่านฟังด้วก่อนด้วยก่อนที่จะไปทําไมจึงเป็นอย่างานั้นพระองค์น mm ี hmm. ก่ก็สมกับที่ว่าที่ผมเนี่ยกำหนดไว้แล้วแต่ก่อนนั่นแหละบ่ท่านได้ฟังผมคือจะก็อชได้กออกมากบกุบ ก, บก ม, นนะมือไปมั่นละเมเต็มมาก ฉันก็เด็กกาพูชาันคนนั้นเริออกมาออกมาเลิมาเห็นบาทบาดคนเริมมาตั้งนี่เยพี่เด็กที่ไปปลลกวันก็นได้ได้โอกาสเรมากาเปียนคนนั้นปานีไ่ไปตั้งวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สหกวันยี่กยี่สเจ็ดยี่สแปดยี่บเก้าสามสิบสามสเอ็ดอันที่หนึ่งวันนี้ใช่ไหม เจวันวันนี้มาหรื อ, อยังวันนี้ไม่เห็นเหรอเนี่ยครบเจ็ดวันวันนี้สัตหะตามหลักขวัในถ้าไปได้ในสัตหะก็มีเจ็ดวันวันนี้แล้วนี่26 2หกยี 6, 7, 8, 9, 30, 30, ่30 3เจ็ดยี่แดยี่เก้าสามสิบสามนที่หนึ่งนี่เจ็ดวันมันถ้าแบกแนวนะพระนี่นะดูกับทิทยาดูอะไรอะไรไม่เหมาะแล้วจริงได้ให้ไป นันมนะ้มาอีกน่ะมายิ่งมาแสดงรวดลาหนักเข้าไปอีกท่นานอย่าชักจะหนีนี่ชอบคนพระทำามจาึงเป็นบ้าสุดๆแล้วร่อนอย่างนี้นะสถาพรมันเป็นองค์ไหนนะ่ะนะผมก็จําไม่ได้ว่าเป็นองค์ไหนสถาพรแล้วมานี้ให้ออกจากวัดไปเลยนะอย่ามาอยู่วัดเนี่ยมันหนักบัดนะ คันสาก็ขาดไปแล้วไม่ได้เรื่องใน ร, ราวเลยไปไม่ได้น่าในหลังอะไรผูพพ้พูดแทนเราพู้นั้นเรามีอยู่ก็ไม่พูดมาจาอะไรเลยนี่พอมาแล้วก็เจอก็พูดแล้วก็ไปเลยหาความงามไม่ได้หาความเหมาะสมไม่ได้ฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลว่าพามาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อทำ อ, อย่างนี้ที่สแสดงอย่างนี้เพื่อกิเลส ท, ทั้งนั้นนะแล้มานี่ก็ทั้งสองให้บอกปรชาชนอย่ายให้อยู่มันหนักวัดนะ อันสาก็ขาดไปแล้วแหละจะเอามาอยู่ให้มันหนักวันอีกต่อไปมันอะไรชอบผลนืคแล้มก็มากขึ้นเรื่อยๆนี้ปี่ี่4ิบสี่วันเราพอเราเงี้มประตูสักนิดหนึ่งก็ตั้งงแต่ยี่สิบ คิดเก้ายี่สิบ25ะกากเป็นยี่สิบห้ายี่บ้ากับยี่สิบเก้ายี่บเก้าสามยบห้าเนี่ยไม่ลืมนะสายี่ห้าแล้วสีๆๆป่ปรกาศปีนี้ี่สสี่นั่นให้หยับขึ้นด้วยเรื่อยไม่ยอมลงไม่ยอมลดเนื้อมามให้หนักใจอย่างนี้แหะมันมาด้วยความตั้งอกทั้งใจมันหนักใจทั้งหมู่เพื่อนด้วยนะไม่ใช่หนักใจแต่ราผู้ปกครองอย่างเดียวมันเ ก, กี่ยวทำขวางอยู่นั่นแหะเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่มันกระเทือนไปหมดนั่นแะ ถามว่าไม่มีเหตุผลที่ควรจะแก้ดุดในนี้แล้วก็ให้หนีไปจากวัด น, นี้เท่านั้นเรื่องจะมีความจําเป็นที่ขาดพรรษาเพราะความจําเป็นมันมีนพระวินัยหรือธรรมยังให้อภัยถ้าเหตุผลที่จะมาแก้ น, นี้ไม่สมดุลกันแล้วก็ต้องออกจากวัดเท่านั้นนะไม่ควรจะอยู่ในวัด น, นี้ให้หนักหมู่เพื่อนและเราผู้ปกครองนอกจากเหตุผลที่เหมาะสมเท่านั้นขาดพรรษาเพราะเหตุผลเหมาะสม ท่าก็บอก่ท่านก็ไม่ได้ปาปบาทเพราะไม่เป็นการโกหกเป็นสิ่งที่สุริสยสัยมีอยู่ในพนข้อนี้ก็ยังมีเป็นไงล่ะข้าใหม่ฟังเทศเข้าใจให้เปลา่าฟังวันนี้